การตังธรรมะดานปฏิบัติคนที่เคยฟังมาแล้วเคยฝึกมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็คเคยทําเคยฟังกันมาแต่คนที่ไหนเคยคนในชาติจะทําแบบไหนการฟังธรรมะจิตจะได้ทำสงบสุขทางใจก็ยังไม่เคยระดับแล้ฟังไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติ ดันั้นการฟังธรรมะรายะที่เรานัง ฟ, งฟังทุราณาที่เรื่องอื่นไม่มีให้ตั้งวรระวังใจของตัวอย่าให้คิดตรงยุ่นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เป็นอดีตผ่านมาแล้วก็ตามอนาคตจะไม่มาถึงก็ตามนาทีของตัวให้กำหนดจิตอยู่เฉพนะาะน่ะหากเรา รักษาจิตของเราได้อย่างนั้นธรรมะที่แสดงไปสัมผัสกับใจอยู่เรื่อยผลที่สุดจิตใจก็สงบจิตใจก็เยน็นเกิดความสุขความสบายพอใจสงบใจเยน็นถ้าไมอย่างนั้นมีแต่คิดคงดุงมเดีย ว, วเรื่องต่างๆทั้งๆที่งานด้านนอกไม่มี แต่จิตมันวกคิดไปอดีตที่ผ่านมาอย่างนั้นอย่างนี้คิดห่วงคิดห่วงเรื่องการงานบัดช่องเข่าของต่างๆปล่อยให้จิตจิตตุงไม่มีระยะเวลาในการรักาจิตใจของตัวการตังธรรมเกิดคางลำคานใจไในสงบใจม่เย็น ใจในสงบใจในจิตถึงขั้นต่เนี้ยจะสอนอะไรมันไม่เคสัมผัสกับใจมันก็เลยเกิดความลำคาญถึงระยะกี่เทัยนเทียบในยาวนานกว่าตามแต่จิตของเรามันไม่สัมผัสกับธรรมมันไม่เข้าใจในธรรมมันไม่รับความสุขจากธรรมมันก็เหมือน ก็ว่าเวลานั้นยืดยาวจิตใจก็ลำคาญกายก็เจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเหมือนหิวต่างๆ่าเพียหลับไม่อยากจะฟังเพราไม่เพิดเพินเพราะไม่สนุกเพราะไม่สุขไม่สบายให้นี่คือการฟังธรรมะไมเย็นรักษาจิตรักษาใจของตัวไม่เย็นไม่สงบ ฉันั้นรา ย, ยาที่เราฟังธรรมะ่อให้คยถือว่าเป็นการภาวนาในตัวทุกสิ่งทุกอย่างทางอดีตอนาคตหักห้ามเอาไว้ให้ใจอยู่ปัจจุบัน <c oughs> จะกำหนดลมหายใจเลยกำหนดพุทโธก็กำหนดได้ถือว่าธรรมะที่ท่านแสดงไปท่านไม่แสดงไปที่อื่น คือสอนกายสอนใจของทุกคนไม่ได้มุ่งแสดงไปนอกเรื os, ่องของกายของใจท่านแสดงไปเมื่อท่านแสดงเนตขอบเขตของธรรมะของกายของใจเราก็มีกายมีใจนังตั้งอย่างนี้ก็มีกายมีใจถูกแสดงก็ออกกายออกใจเป็นการแสดง เมื่ออย่างนั้นการฟังมันก็เข้าใจงนะ่าเพราะกายเราก็มีใจเราก็มีไม่ใช่ใว่าผัญหาเรื่องอันอื่มมาแสดงกายใจนี้เป็นปัญหาสาคัญพวกเราท่านของจิตจิตปุงกันมากจนพบชาบหยืดยาวมาตลอดเวลาก็เพราะการหลงกายหลงใจ ของตัวเราเองนอกจากนั้นผหลงคนอื่นเนื่องจากใจของเราไม่ฉลาดไม่มีธรรมะไม่สามารถที่จะแก้ไขทับไล่พิเรียนกันหาความรุ่มหลงของใจให้ตกออกไปเพราะสมมติของโลกที่เราเกิดมาเคยได้สลับรับฟับบงกันมาเคยไขคิดจิต ตามกันมาเรื่องสมมุติต่างๆนานามันฝังลึกไม่สามารถที่จะแก้ไขหายใจรู้เห็นเป็นจริงในอดในธรรมได้แต่นั้นการฝึกอบรมจิตการตางรังธรรมนี่ยงเป็นการเปิดโอกาสหายใจของเราในที่นี่ทีจะไณานหาความจริง จิตใจของจิตยุงเกี่ยวต่างๆจิตใจนี้มันยุ่งเกี่ยวหลุมหลงในเรื่องของกายมากมายจนหลงไหลไปฝันในพอใจสิ่งนั้นตามเป็นจริงของมันทางธรรมะขันจริงสอนให้ที่นี้ที่เจรินาศึกษาหาความจริงในสิ่งเหล่านั้ น, น, น ไม่ให้จิตใจหลงไหลไฝฝันไปตามเรื่องของกิเลสตันหาการที่ารนาการศึกษานั้นศึกษากายเป็นเบื้องต้นกายนี้เป็นที่ตั้งของความหลุ่มหลงแต่ความจริงใจมันไม่หลงใจมันหลงมันไม่รู้ ไม่พอใจว่ากายอันนี้มีอะไรแน่นอนโดยส่วนใหญ่โลกเขาคือว่าสวยแล้วก็สมมติไปตามเขาติดของไปตามเขาว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้การศึกษาธรรมะท่านพี่เจนาตามเป็นจริงก็คือพี่จใจนากายนี้ตามเป็นจริงของมัน อย่ที่เจนาะเรื่องถาดเรื่องขันมันก็ถูกเพราะถาดนั้นแผงสาวเอาไว้ถาดใหญ่ใหญ่ที่สำคัญในกายก็คือถาดทั้งสี่ดินน้ำลมไฟมาประกอบกันเข้าเรียกว่ากายสมมติอีกว่ายิงว่าชายว่าสัตว์ว่ะบุคคล ทับกันไปเรื่อยว่านุ่งว่าสาวว่าแจ่วว่าเาาท่าว่าสวยว่างานสมมุติทับทับทับเรื่อยไปผลที่สุดความจริงของใจนั้นเป็นอย่างไรพวกเราท่านไม่เคยวิ่นิดไฉไม่เคยที่นิเจ่น่ะยิ่งหลงติดสมมุติเรื่อยมาตลอดปัจจุบันทุกวันนี้เราต้งองเพิสมมุติออกไป เอาอัดเอาทำเขาสองดูเรื่องของกายให้แยกขาดพี่แจน่นะฮะทางธาตุฝ่ายพี่แจนะให้มันทราบตามเป็นจริงของมันธาตุที่ขนแข็งท่านก็เรียกว่าธาตุดินเป็นต้นว่าเจสาคือผมขนลงมาหนะะาขาทังตาเลื่อยลงไป ถาดดินท่านบอกไว้ในตำรับตำราเนมียี่สิบอย่างนี่ทางสมมติแต่ทิ้งอย่างไรก็ดีมันก็มีอยู่ในตัวของเราถาดเหล่านี้เดี๋ยวถาดดิ น, นคือของทีขคนผีแข็งถาดทีเอื้อาอบไหลไปไหลมาได้ท่านเดียกว่าถาดน้ำนี่ก็มีอยู่ ในใจของเราอีกทานจำราฐานแยกเอาไว้อีกสองอย่างนอกจากนั้นก็ทัานลมที่ทัานขึ้นเบื้องสูงทัดนลงเบื้องหลังตลอดถึงลมในท้องในใจลมหายใจต่าออกถัดไฟกับความอบอุน่น <c oughs> ในเนื้อในตัวของเราเรียกว่าถาัดไฟธาตุเหล่านี้ประกอบกันเท่า เรียกว่าสัตว์ระ บ, บุคคลแต่ถ้าแยกแยะออกไปธาตเหล่านี้มันไม่มีธาตุไหนใน่มีตรงใดที่มันว่ามันเป็นสัตว์มันเป็นบุคคลแต่สมมุติเขาเรียกว่าสัตว์ระ บ, บุคคลแต่ถามพี่เจนาทางธรรมมาที่ฐาน ม, มันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ที่ตรงไหนเราไปถามดูก็พอทราบได้ นหละมันเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันไหมมันไม่มีตออถาดนี้ไม่มีการลุ่มหลงในจิตในใจเราจะหลงไหลใส่ ฟ, ฟันขนาดไหนถากอันนี้หน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันไม่หลงหอะไหลกับใครท้งนั้นหน้าที่ของมันเกิดมาก็แปงปวนไปตามสภาพของมันถึงเราจะบา รูรักษายิบดีขนาดไหนถาเหล่านี้หน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็แปลสภาพของมันไปตามเรื่องของมันผลที่สุดถาเหล่านี้ก็แตกสลายจากกันดินก็ไปเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟแต่ถาลมถาไฟนั้นเป็นถาที่ละเอียด เรามองไม่เห็นอาศัยสัมผัจสจินซ่ามันดับไปด้ยวย่อยๆแต่มันดับไปที่ไหนเราก็มองเห็นไม่ได้แต่จะไปฏิเสธว่ถาถ่านไฟถ่านลมนั้นมันไม่มีมันกลมไม่ได้อีกเหมือนกันมันยังมีอยู่แต่วมันไปตั้งอยู่ที่ไหนมงอนออกจากกายของเราไป มันก็ไปตามาที่ของมันนี่ขาดขันของสัตว์ของบุคคลเป็นอย่างนั้นถ้าเราพิจานณาอย่างนี้ความรลุ่มหลงของจิตของใจที่ไปสำคัญมันหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามต่างๆมันจะคอยถอนไปหมดไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใส่สัตว์บุคคล ตัวตนเราเขามันเป็นธาตุที่เจนนาในทางธาตุเกิดแก้ไขครับไร่สมมุติของใจที่ยึดมัน่นถือมั่นเอาไว้ว่าเราอะของเราว่าคนนั้นคนนี้ถ้าหกจะที่เจนนาหาทางแก้ไขความกำหนัดยินดีของใจที่วสวยว่าสวยงาม ขอพิจัยนาในทางตรงกันข้ามกับสมมติของโลกที่เขาถือกันขอพิจัยนะใจของเตา อ, อีกแหละดูให้ถั่วถึงให้ใจชัดเจนในความจริงของมันผ่านขันอันนี้ก่ อ, อนอันนี้ที่เราหลุ่มหลงกันด้วยสมมติทางโลก ว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้ทางธรรมอะที่จะเจก้กิเลสกันหาลาคะของใจผ่านขอามให้พิจารณาทางอสุภะอสุภังตามความเป็นจริงของมันในถานในขันของพวกเราท่านไม่มีอะไรที่น่ายินดีชอบใจถ้าพิจารณาเห็นจริงไปจกักใจนั้นจะเกิดตั้งเวช ตลอดใจเพราะความลุมหลงหัวหุ่มจิตใจจิตลงลุมหลงในเรื่องของชายว่าชายว่าหญิงว่าสวยว่างามนั้นมันเป็นมาตลอดระยะเวลาไม่ทราบสภาพความจริงของมันว่าเป็นอย่างไรถ่าจิตใจชนิดที่เจนาทางอสุภะคือพิจารณาความในสวยไหนงาม พิจาณาตามเป็นจริงของมันไม่ว่าอะไรในตัวของเราท่านมันตกบบกบบรบปกตกหล่นลงที่ไหนก็ไม่มีใครชอบไม่มีใครยินดีตั้งอยู่กว่าดูแลรักษาเป็นภาระสำคัญในอย่างนั้นความเน่าเหม็นป ต, ติกูลของกายมันก็เยิ้มออกมาไหลออกมาให้พวกเราท่นทานได้ทราบ ในเห็นกันอยู่ทำละกันอยู่เรื่อยๆเพราะกายมันถฉกกระปกแต่เราหลุ่มหลงงมงายคื่อว่ายิ้งวาชายว่าสวยว่างามอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจิตจิตข้องในสมมุติ่าพิจนาทางด้านธรรมะเห็นจริงประจักษ์ชัดเจนว่าเป็นของปฏิกรูปอสุภาอสาสุพัง ในหน้ากำหนดในหน้ายินดีในหน้าเพลิดเพลินหลงไหลกำหนดจิตกำหนดใจลงไปหลับตาลงไปแทนที่มันจะอยู่ในเหนือในหนังหนอ ก, นอกมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าจิตเป็นอัตเป็นธรรมจริงจังมันจะเห็นอสุภะอสุภะความปฏิกูลนทองตาย เพื่อเกิดอุคาะหะจิตตาจิตใจได้มองไปที่ไหนในกายของตัวก็มีแต่ของชั่วของเหน่าของเหม็นของเป็นปฏิกูลท้งนั้นผลที่สุดเนื้อหนังผุพังลงไปเหลือแต่กระดูดูกระดูในเนื้อในตัวเขาตัวเองมันสวยมันงามไหมมันมีอะไร ที่เป็นคุณข่าแทา้ทำให้จิตใจไฝ่ฝันหลุ่มหลงถ้ามันเห็นชัดเจนจริงจังอย่างนั้นมันจะเสืดอมวลบทั้งเรกจิตจิตไปจิตขล้องในสมมุติพอมันเห็นในจิตในใจข้องตนนี่คือคนที่ต่อเพื่อปฏิบัติฝึกหัดที่นิจจารณาธรรมะในค้องติด ในเรื่องของกายเพราะกายมันเน่ามันเหม็นมันเห็นเป็นของผกกระอกของปฏิปูลเมืเ่อจิตของเราฝึกหัดปฏิบัติเกิดอุคาหะนินิดจิตในใจอย่างนั้นไปที่ไหนแทนที่มันจะหลงไหลไฝฝันในรูปตา่างๆไงวะรูปหญิงรูปชายก่อขึ้นมาเป็นกายแล้ว ม, นนมันเน่ามันเน้นมันไปที่กูด้วยกันทางนั้นมันเห็นประจักษา์แล้วมันก็อแม่จิตไม่ข้อไม่ยึดไม่ถือไม่ตำหนักไม่ยินดีในรูปนั่นนั้นเขาสมมุติอย่างไรก็พูดไปตามโลกของเขาแจจิตใจของเราจะลุ่มหลงเหมือนเก่าก่อนที่เราไม่เคยฝึกสอนไม่เคยต่อพืชปฏิบัตินั้น มันเป็นไปไม่ไมด้พอมันเห็นประจกักษ์ชัดเจนในจิตในใจนี่คือการประพฤติปฏิบัติฝึกฮัที่นี้พิจารณาธรรมะใจเหนือมีธรรมะฝึกธรรมะพเจารณาในทางธรรมะเรื่องที่เหลือกันหาจิีใจยุ่งเกี่ยวกับจิตกับใจมันค่อยถอนออกไปตกออกไปหลุดออกไปใจไม่ลุ่มหลง เมืดบอดเน้นก่อนใจไม่วุ่นวายเหนือยร้อนเพราะความลุ่มหลงเรื่อยกิเลสกันหาเผาตัวใจจึงสว่างสวัยใจจึงสงบเย็นอยู่ในสถานที่ใดมีความสุขความสบายทางใจพอการแช่ขขับไล่เรื่องความลุ่มหลงเหนื่อยกิเลสกันหาของตัวออกไป มีการพี่เจนนะศึกษาปฏิบัติธรรมนะเกิดคุณค่าสาระจากการกระทำรมบำเพ็ญของตนเพราะเห็นความเย็นความสงบไปสถานที่ใดนี่จะอาจแตะธรรมถั่วไปเห็นอะไรน้อมนำมาที่นี่พี่เจนนาแก้ไขเพื่อให้ใจเกิดปัญญาสามารถ ละถอนความเยกถือของจิตของใจเมื่อเป็นอย่างนั้นใจสงบได้ใจสุขได้ใจมีสติมีปัญญาภายในท่านจริงเป็นโลกาวิทูคือรู้แจ้งในตัวของท่านว่าธาตุขันธ์อันนี้ไม่ใช่สัตบุคคลเป็นแต่ะ ธาตุทั้งสี่ผสมกันเข้าขันทั้งห้าที่อาศัยอยู่นี้ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งมันมีเดือนกันทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่าอาดีตอานาคตปัจจุบันเรารู้เราเข้าใจตัวของเราชัาเดเจนอย่างไรอดีตอานาคตมันก็หมดไปเพราะคนเกิดใหม่เขาก่อจะเป็นไปํานองเดียวกันกันกบเราผที่สุด เขาก็จะต้องล้มหายตายไปคนที่ตายไปแล้วในอดีตก็เหมือนกันกับเราอยู่ในปัจจุบันไม่มีอะไรที่จะสงสัยของใจอีกนี่คือการที่นิชชีเจนะเรื่องของธรรมะธรรมะยังเป็นเครื่องส่องเรื่องโลกต่างๆให้สว่างสวัยให้ไปจากในใจคนที่ลุ่มหลง โลกเท่าไรอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นก็ยุ่งลําบากเท่านั้นเราไม่คอยสังวรระวังใจกันมีแต่ปล่อยไปตามเรื่องของโลกเรื่องของสมมติเราจรึงข้องติดคิดและในสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆไม่มีความสงบสุขให้พอมาฝึกอบรมใจคลองตัวสอนใจค่องตัวที่แจนาอาจทำชาระใจคลองตัว สิ่งที่ั่วเสียต่างๆเคยมารบกวนจิตใจคอยตกไปขาดไปเบาไปสบายไปใจสว่างใจสวัยใจสงบใจเย็นนี่คือการฝึกการบำเพ็ญในทางธรรมะถา้าใครฝึกปฏิบาดดาัติได้เข้าใจในเรื่องของธรรมะโลกอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมายั่วยุจิตใจให้หลุ่มหลงติดข้อง พอสมมุติต่างๆนั้นถ้าหากเราที่นี้ที่ใจมาตามธรรมะแล้วมันแก้ไปหลุดไปการแก้สมมุติไปหลุดจากสมมุติไปด้วยใจของตัวเองนั้นแหละท่านเรียกว่าวีมุดคือความก้นไปจากความข้อง จ, จิตในเรื่องสมมุติต่างๆแต่ก่อนมันเคยลุ่มเคยหลงตาเห็นรูป ก็เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้ถ้ามันชอบมันยินดีมันก็เกิดราคะปัญหาถ้ามันไม่ชอบไม่ยินดีมันก็เกิดความไม่พอใจโสมนั้นโกรธแค้นในสิ่งนั้ น, นั้นมันเลยทุกข์ไม่เขาจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเสียงเสมือนกันมันเป็นที่เป็นภัยใหญ่หลวง ถ้าหากคนไม่มีธรรมะลมปากของคนสามารถที่จะทําภัยอันตรายได้มากร้อนไหมยิ่งกว่าไฟธรรมดาพอลมปากเย็นกว่าเย็นสนิทฝังจิตฝังใจของคนพอลมปากถ้าหากคนมีธรรมะที่นี้พิจรารณาเรื่องรูปก็ดี เสียงก็ดีว่าสิ่งเหล่านี้มันมีมา ก, ก่อนแต่ไหนแต่ไรเราไม่เห็นมันก็มีอยู่แล้วเราเห็นมันก็มีอยู่อย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะไปสู่จุดหมายตายทางอย่างไรกันเราทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีการแปรวลนและแตกสลายเสียงก็เหมือนกันเขาสัญลักษณ์เยินยอพูดดีอย่างนั้นอย่างนี้ ทำให้กำหนัดยินดีทำให้หลุ่มหลงติดใจเสียงนั้นดับไประยะยาวนานขนาดไหนแก่ทันอย่างอารมณ์ความยึดถือของใจมันผูกมัดไว้ทำให้ใจยินดีทำให้ใจหลุ่มหลงเพลิดเพลินไปแต่เขาด่าเราะว่าสิ่งที่เราไม่ปาถนาไม่ชอบใจล้วก็ทำนองเดียวกันทั้งสิ่งเหล่านั้นเสียงเหล่านั้ น, น, นดับไประยะยาวนาน แต่เราก็นำมาคิดมาอ่านมาปรุง้นทำให้จิตใจโกรธแค้นเร่าร้อนเดินไปทำนองนั้นเพราะปัญญาของเราในทางธรร ม, มะไม่มีในคามสามารถที่จะแก้ไขขับไล่สิ่งเหล่านี้ให้หายออกไปจากใจใจจึงลุ่มหลงเรื่อยไปโลกอันนี้ลูกก็ดีเสียงก็ดีมันมีมาแต่แฉ่ไหนใจไใครคนหลง จึงไม่มีความสงบไม่มีความสูกให้พอไปที่ไหนก็เจอรูปเจอเสียงเจอกลิ่นเจอรสแต่คนมีธรรมะในจิตในใจนั้นท่านในลุ่มหลงท่นานพิจารณาตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางในสิ่งเหมือนนั้นรูปมันมีอยู่กว่าสัตว์เทวรูปเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้น เสียงก็ทำนองเดียวกันเขาจะสันลเสรเดินยอมันก็ดับไปเขาจะติดินนินทามันก็ดับไปมันไม่มีอะไรที่จะยึดจะถือเอาไว้มันปล่อยไปวางไปพอดจบมันก็ดับมีหมายถึงเรื่องปุถิญีธรรมะในใจที่จะใช้ตัวเพื่อความสงบขันจิงอยู่สงบไม่มีอะไร ที่จะมาก่อกวนจิตใจให้ชอบให้ยินดีให้ตำหนิโกดแค้นต่างๆนี่หมายถึงผู้ที่ปรเพฤติปฏิบัติอัธิธรรมระวังทั้งวอใจภายในดูใจของตัวที่มันชอบมันยินดีในเรื่องต่างๆนั้นมันให้ทุกให้โทษหรือมันให้คุณให้ประโยชน์อย่างไรที่มันตำหนิมม เขานั้นมันมีความสุขความสบายไหมท่านสองพี่นี่พี่แจนะเพื่อให้จิตเข้าใจชัดเจนในสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันเข้าใจชัดเจนเห็นประจักษ์มันก็ละได้ถอนได้หนี่มันไม่เห็นไม่เคลนในจิตในใจของตัวไปอยู่สถานที่ใดถึงสถานที่จะสงบ ไมมีอะไรทายนอกมาลบควรแตจิตใจก็วุ่นวายว่าอเออคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้อยู่ในที่สงบกับกลัวอันนั้นกลัวอันนี้ถ้าช้าสิ่ง ท, ที่เรากลัวนั้นมันไม่มีแต่มันก็คิดเอาเดาเอาปรุงเอาว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นมันจะเป็นไปอย่างนี้เลยไปขาดไปฝันทําให้จิตใจของตัวเองว่าวุ่น ยู่เกี่ยวหาความสงบหาความวิเรกไม่ได้นักภาวนานักชำละใจจึงควรแก่ไขควรจินติ่เจนา <c oughs> ดูสิ่งต่างๆให้เห็นตามเป็นจริงของมันใจจิตใจจิตใจเห็นเด่นภาพอย่างนั้นทางศาสนาครูอาจารย์ท่านเคยแนยสอนให้ฝึกสมาธิ คือความสงบของใจเสียก่อนแต่พิจารณาซุ่มเดาโดยหนึ่งมีความสงบของใจพิจารณาไปเท่าไรมันก็ขาดหมายไปมันไม่ขาดไม่ตกให้ความจริงปัญญามันมีทุกคนความคิดนึกมันมีทุกคนแต่มันนึกคิดไปคนละอย่างละแบบ นึกคิดไปในทางโลกทางผิดจิตใจก็เดือดร้อนนึกคิดไปในทางธรรมะจิตใจก็เยเือกเย็นแลงาใจจะละจะถอนจะเกิดปัญญาสามารถห้ำหัน <c oughs> ตัดเรื่องของราคาตัญหาได้ต้องอาศัย ความสงบของใจคือสมาธิก่อนท่านจึงสอนให้ฝึกสมาธิการฝึกสมาธิคือความสงบของใจนั้นทางศาสนาเทวสมาธิคือฝึกเกี่ยความสงบในสงบเยอะก่อนยิ่งค่อยยินดีพิจารณาต่อไปการสงบของใจการฝึกใจนั้นบางท่านบางคนก็ต้องอาศัยการบริกรรมบางท่านบางคนก็อาศัย ลมหายใจบางทรันบางคนก็อาศัยการที่นิจเจนานิจเจนาไปใจสงบไปแต่บางทรันบางคนถ้าส่งเหตุนิเจนาทางนอกมันไม่สงบไปมันเลยเถิดเลยแดนออกไปอย่างนั้นต้องอาศัยการบริกรรมแต่บริกรรมพุทโธทำโมสังโฆหรือตายตายก็ได้ให้จิตมันสัมผัสกับคาบริกรรมอยู่นั้นไม่ปล่อยให้จิต บกคิตไปเรื่องอื่นถึงเกิดขึ้นผ่านมาจะไปติดตามเรื่องต่างๆให้ทีว่าทำบริกรรมของเรานั้นเป็นเรื่องสําคัญยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปถ้ า, า่ะกเราไปติดในการคิดปรุงค้องใจอะไรผ่านมาก็ลืมทำบริกรรมไปเสียตามไปนิดๆๆหน่อยตัวหายไปกลับมาบริกรรมใหม่อยู่อย่างนั้น มันไม่ทันเหตุการ์ต้ผูกใจมัน่นบริกรรมอยู่นั้นจนใจของเราอยู่กับคําบริกรรมสัมผัสอยู่นั้นไม่ได้ออกไปเรื่องอื่นพ้นที่สุดเมื่อจิตสัมผัสกับคําบริกรรมของตัวอยู่เรื่องนอกไม่ไมายุ่งเกี่ยวอะไรใจค่อยจะสงบความสงบของใจบางท่านบางคน ก็เหมือนตกเหวหูบลงไปบางครันบางคนตกเหมือนถิ่นก่อนหินก่อนดินลงไปในน้ำถอยจมลงไปโจมลงไปจนถึงพื้นนี่คือความสงบแต่มันจะเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรนั้นอาศัยผูกต้นพือปฏิบัติจะตราบจะเข้าใจจากตัว้องตัวเองเพราะตัวเป็นคนทำตัวต้องเห็นตัวต้องเป็นเหื่อมันสงบ ตองถึงขี่ของมันจิตใจไม่ได้ขาดไดฝันการเวลาพอมันจิตเป็นหนึ่งได้คิดไดุ้้งอะไรนี่แต่ความรู้สึกอย่างเดียวกายทั้งกายมันกลมไปเนึกว่ามันนั่งมันยืนมันนอนมัน เดินอยู่ที่ไหนคือมันวางไปหมดเรื่องเนาะจากกายของเราไปไม่ต้องพูดเกีเรื่องของกายที่มันอยูเ่เดียกันนี้มันก็วางไปปล่อยไปหมดจิตมันว tay, ่าง ม, มันไม่ได้เกี่ยวห้องกับรูปกับเสียงอะไรมันอยู่เฉพาะเรื่อง้องมัน ถ้าหากมันไม่ถอนกลินมาเมื่อไรมันอยู่อย่างนั้นมันจะไม่มีการขาดฝันวานานขนาดไหนมันไม่มีการเหนืดเหนื่อยเหนื่อยหิวไม่มีการเจ็บปวดเพราะใจมันเลยมายุ่งเกี่ยวออกมาทางนอกมันสงบเดี๋ยวมันสงบถึงที่เข้ามันพอมันถอนออกมามันจะมีกําลัง บางคนพอถอนขึ้นมาจากนั้นนิดหน่อยออกรู้สิ่งต่างๆท่าเรียกว่าอุปจาระคือออกรู้ออกเข็นจัดพิยนาอะไรในเรือนท้องใจมันก็เกิดอุปหะขึ้นได้คือติดรู้ติดตาจัดพิยนาเรื่องต่างๆดีใจ่องใจมากก่อนมันกวรจะมีธรรมผุดขึ้นบอก ว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ซึงเราไม่เคยคาดฝันมา ก, ก่อนมันเจมิขึ้น <c oughs> จากจิตจากใจที่สงบจากจิตจากใจที่ฝึกปฏิบัติความสุขความสบายที่เราเห็นเราเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยเห็นเคยเป็นมา ก, ก่อนมันพวกอัธจาศน์พะความสุขท น, นิดนี้ไม่มีใครดู ไม่ไหวจะไปที่ไหนมีเงินผี่แสนผิวล้านไปจ้างดูมันก็ไม่เห็นเพราะแบบนี้ใครที่จะเอาออกลงให้คนดูออกล้านให้คนดูคนที่ฝึกที่ปฏิบัติเท่านั้นใจะเห็นความเย็นความสุขความอัศจรรย์ของใจเมื่อมันเห็นอย่างนั้นความเสื่อความเลื่มภัย อยากจะแต่ทำบำเพ็ญมันเกิดขึ้นศรัทธาความเชื่อมัน่นในจิตในใจผลมรรคผลนั้นยังมีอยู่เราปฏิบัติเรารู้เราเห็นความสงบเย็นของใจปราศจากราคะตัณหาเสวระยาเวล า, าสั้นเราเห็นนะ้เราพอใจแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นความเทียน พยายามที่จะจะทำให้เห็นให้เป็นอย่างนั้นมันก็มีกำลังทวีขึ้นเพราะทุกคนชอบความสงบชอบความสุขชอบความเย็นของใจแต่เราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาเข้าใจว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มาแล้วคงจะดีจะสุขจะสบาย เราเคยสิดด้านวัตถุด้านสมมุติัางนอกมาพอแล้ววิ่งบุหนหาแสวงหาได้มาแล้วสมปทานามาั้ยความสุขของใจถือมันเป็นอย่างนี้มันดีมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งที่เราเคยได้มาเคยเห็นมาไหมามันจะทราบได้ จากการประพติปฏิบัติของตัวแต่นั้นผู้ ท, ท, รรที่ประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจริงจังเห็นธรรมในจิตในใจท่านจึงไหมอัศจรรย์อะไรในโลกเพราะโลกอันนี้ถ้าหากมาเห็นอัตเห็นธรรมโดยการประพฤติปฏิบัติแล้วในนี้ความหมอะไรใหญ่โตเท่า ก, กับการปฏิบัติธรรม งานอะไรในโลกจะสำคัญเท่าการละกิเลสไหนงานเหล่านั้นถึงมีอยู่ทั่วโลกกว่าตามเป็นงานที่ไหนสำคัญงานสำคัญทือการละกิเลสการบำเพ็ญภาวนาการชาระใจของตัวท่านจริงไหมยุ่งเกี่ยวเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากจากนิพพานธรรมชาระใจของตัวอยู่แต่ท้ามที่ได้ สะดวกในการบำเพ็ญภาวนาสำรบทีิเหลทดทนอยู่ได้ถึงที่นั้นจะขับขันถึงที่นั้นจะอดอยากยากจนไม่สะดวกทางกายก่อตามแต่ใจของท่านสะดวกสบายในการทชนิดที่ใจนนะทนอยู่ได้ทนในถืองานอื่น เป็นงานสําคัญยิ่งกว่าทำร้ายทีเดชของท่านนี่คือผูกประพฤติปฏิบัติเข่าใจในอาบในธรรมท่านในอัาธิจันทร์อะไรนอกจากทำร้ายใจให้หมดจดจากที่เดชมุ่ง ม, มั่นภาวนาทำร้ายใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อทําอยู่บ่อยทำร้ายอยู่บ่อย <c oughs> ใจมันก็สะอาด เมื่อใจมันสะอาดกว่าสามารถที่จะรู้จะเห็นสิ่งต่างๆนานาที่ตกมาดิวมาเกาะติดกับติดกับใจหมายถึงว่าอารมณ์ต่างๆที่จอนมากว่าดีเกิดขึ้นกว่าดีทันมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรแล้วก็แก้ไขทันท่วงทีนี่คือมันสะอาด ใา้จิตทางใจเข้าใจสัญญาอารมณ์นี่เราไม่เป็นอย่างนั้นมันโกรธไม่สรอาดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรทําไมมันถึงโกรธถึงไม่ชอบมันก็ยังโกรธอยู่มันโลภมันหลงก็เหมือนกันพรอมันไม่สะาดติตใจอะไรตกลงมากมา็ไม่สะาบว่าอันนี้ตกลงมาเหมื่ อ, อไรเหมือนกันกับฝ่า มันมืดทึบร ก, กเป็นที่งูมันอาศัยได้เสือมันอาศัยได้ช้างมันก็อยู่ได้ทั้งตัวใหญ่ใหญ่มันมีอะไรปิดบังของมันถ้าหากมันสะอาดโลง่งถ้าเป็นของสะอาดจริงจังไม่ว่าตัง้งแต่ของใหญ่โตขนาดนั้นแี่แต่เขมหรือเส้นผมตกลงไปเราก็มองเห็นได้ว่าอันนี้เป็นเข็มเป็นเส้นผม ปัญหามันจะตกในต่างจะหาที่ไหนล่ะมันจะเจอให้พอมันรบใจสะอาดจึงเป็นผี่ปราถนาของบัณฑิตถูวไปถังชำราใจของท่านสะอาดแล้วราคะตันหามานะที่ผีต่างๆที่เกิดขึ้น่านธช้ามากที่จะกําจัดตัสสา่าออกไปไม่เหตุเกิดคิดเกิดใครรบกวนจิตใจของท่าน นี่คือการสาธิตปฏิบัติการทำระใจทุกคนมีหน้าที่ที่จะทำระศึกษาสามตัวของตนได้ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยะเจ้าหรือเป็นหน้าที่ของค้าของเนรคนที่บารถนาความสุขอย่าไปหาความสุขที่อื่นให้หาความสุขจากจิตใจท้องตนโดยการกําหนดพิจะะารณาการศึกษาการทำระ สิ่งที่ชั่วออกไปจากใจด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นำมาแก้ไขขับไล่สิ่งที่ใจท่องติดคิดแระต่างๆให้ตกออกไปใจจะสงบใจจะเย็นจะเห็นความสุขเมื่อมีความสุขในตัวแล้วถึงสิ่งอื่นจะไม่มีขึ้นก่อตามเพราะความสุขของธรรมนั้นไม่อาศัยวัตถุ มันมีอยู่ภายในของมันปุูกอย่างไรนั้นผู้ปพปฏิบัติจะทราบจะเข้าใจโดยกาปรปฏิบัติของตัวถึงคนอื่นก็จะปฏิเสธอะไรนี่บ้าบอนักผลอะไรจะมีศาสนาผ่านมาสองพันกว่าปีแล้วเขาจะว่าจนปากเขาฉีกเพราะว่าไปเถอะ ถ้าหากเราแบบเพื่อปฏิบัตริรู้เห็นเป็นในจิตในใจของเรานังง่นลมปากของเขาเราไม่ได้หวันไหวอะไรกับเขาเราเข้าใจเชื่อมั่นธรรมะนั้าานเป็นอาจารยิโกโจริงคือไม่มีการนีชั่นนไ ม, ไมถ้าหาก้างหน้าจางตาปฏิบัติรักษาจะต้องเห็นต้องเพียต้องเย็นต้องส ง, งบเพราะเราแบบเพื่อปฏิบัติมาเรารู้เราเห็น ชัดเจนในจิตในใจใครจะว่าเราบ้าบออย่างไรเป็นเรื่องของเขาเข้าใจผิดนี่คือเราเห็นเราเป็นในจิตในใจของเรามันมั่นในใจอย่างนั้นไม่วอกแวกไปลมตามลมปากของเขาใครจะสรรเสริญเยนยอหรือสี่สิญญาธาด้วยอํานาจปัญญาด้วยอํานาจจิตปกติไม่ได้รับเอาสิ่งเหล่านั้นเนอะ เราไม่รับเอาใจมันโกงได้หนักหน่วงในเกิดทุกข์เกิดโทษนี่เรากว่าเราฉราดอะไรก็รู้หมดแต่โทษทุกข์ที่มันเผาใจเราไม่ทราบเขาให้ของไม่ดีมาเราก็รับเอาทั้งในของเนี่ยวของเหม็นของเราของร้อนแผลดเขาใจของเราในเกิดทุกข์เกิดโทษขนาดนั้นก็ยังรับเอาอยู่ปัญญาขี่หมาอะไรซึ่งจะทำลายใจของตัวเราได้มันก็ควร ที่จะสอนใจท่องตัวสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆ ต, ตาเห็นก็นดีหูได้ยินก็นดีถ้างจิตมีสมาสธิจิตมีปัญญาจะไม่วไหวั่นไหวสิ่งเหล่านะั้นไม่ดีเราก็ไม่รับเอาดีมีประโยชน์เราก็รับเอามาที่นิจนจนีะจึงเลยคืคว่าคนมีปัญญารู้จักดีชั่วผิดถูกนี่ปัญญาของเราเป็นแบบนั้น อะไรก็รับเอาหมดนั่นก็เลยเกิดโทษเกิดทุกข์ในจิตในใจแต่นั้นการปฏิบัติใายใจท่องตัวจึงเป็นเหม่องสำคัญธรรมะสอนพวกเราท่านที่เจนาตายที่เจนาใจพิจนาอย่างไรใจจึงจะสงบใจจึงจะเห็นแก่และถอนกินาาเลสปัญหาได้ตัวอย่างที่อธิบายมากำหนด บทบริกรรมเรือ่องกำหนดลมหายใจให้ใจรวมได้พักได้เชื่อก่อนเมื่อถอดถอนมากว่าพิจรารณาธรรมะพิจารณาหาความจริงของมันในขาดในขันในสทราบตามเป็นจริงของมันจิตใจของพวกเราถานจะถอดถอนอย่องราคาตันหาต่างๆในหลงไหลไถฝันในสิ่งนนัน้นพอตัวค้องตัว เป็นอย่างไรตัดอืน่นทั่วไปมันก็เป็นอย่างนั้นเลยทราบทั่วไปรู้แจ้งเป็นโลกกวิทีแจ้งโ ล, ลกรูปกายของตัวทั่วถิ่เแ่านั้นโลกทั่วไปมันแจ้งได้หมดประจักษ์ไดหมดไม่ต้องไปเกี่ยวดูประเทศนั้นประเทศนี้เจีอว่าโลกเป็นโลกกวิทีมันจะรู้แจ้งอะไรพอใจของตัวไม่แจ้งไม่สว่างถ้าทําจิตทำใจของตัวให แจ้งให้สว่าเป็นโลกกวิธูโลกไหนก่าตามกอดินน้ำวมไฟของเขา่าโลกเหน่าโลกเหม็นโลกทุกโลกลำบากเหมือนฉันไม่มีที่ไหนที่จะสุขใปเย็นให้ผ่ า, าใจหลงใจสิดใจคล้องใจยุดใจถือยังที่เจรนาตัวของตัวถั่วถึงเท่านี้โลกมันก่อ ไปหมดทั่วถึงไปหมดทาไมหลงตัวคลองตัวรู้ตัวคลองตัวทั่วถึงตัวรู้โลกทั่วถึงมีแล้วหลงเพราะเราไม่มีธรรมไน่มีสมาธิไม่มีปัญญาไมนมีวิชาเมื่ไม่เกิดยิ ม, ดมุติเมื่อไม่เกิดยิมุติจิตจิตสมุติมันก็นําทุกข์นำโทษมาให้อยู่ตลอดไป แต่นั่นการพิจรารณาการศึกษาจึงเป็นเรื่องสาคัญควรพวกเราท่นทันจากพิจรารณาฝึกอบรมกายวาจาใจของตัวเนี่ยคนใดต่างหน้าต่างตาศึกษาสํารัใจของตัวคนนั้นแหละจะเป็นคนที่มีคุณค่าสาระสูงในตัวของตัวถึงสมบัติพษษัฒนา สิ่งของเองินทองจะไม่มีก่าตามแต่ธรรมะความสุขความสงบความเย็นของใจนั้นจะ้าในตัวของตัวหมดหยากหมดทุกข์หมดสงสัยว่าจะมีอะไรดีพิเศษยิ่งกว่านี้ความอยากไม่มีทุกข์ไม่เกิดความ เห็นของใจจิตพลนออกไปจากสมมติเป็นอย่างไรก็ไม่สงสัยแต่บำเพ็ญอะไรอีกแต่ะละอะไรอีกทากา่านก็สาเพราะละผลละมาหมดแล้วบำเพ็ญก็ด้บำเพ็ญเต็มแล้วตายรู้อยู่จึงไม่มีอะไรที่จะหวั่นไหวิีใจเสียใจกับ ความเป็นอยู่หรือความตายไปพอใจถึงความบริสุทธิ์นี่คือการพระพุทธปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าแนะสอนคนจี่ถือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถือว่างานําระชีวิต เ, เป็นงานสําคัญยิ่งกว่างานอื่นแล้วคนนั้นมีโอกาสเดนลา ที่จะถึงสี่สุดนี้มุดได้ถ้าเห็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องสาคัญยิ่งกว่าการทําลายใจของตอนนั้นคนนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะไปเจอธรรมะคําบริสุทธิ์ได้นี่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนลงมาสู่กายสู่วายใจสู่ใจของพวกเราเราทุกคนก็มีกายวายใจใจเดีวกันไหมว่า สมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบันความหลงก็หลงในสิ่งที่นี่อยู่หลงเลยใจท่องตัวร์ใจท่องตัวร์แถนี้เลยแก่ไขที่ไหนเราไปแก่ไขที่ไหนแก่ไขที่ตาที่ใจเกิดใจเจ็บตายราชาตัญหามีอยู่ที่ไหนผมพยายามขับไล่พยายามที่นี่ที่เจนะเสือชำระใจให้เห็นตามเป็นจริงข้องมัน เมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วความสงสัยมันจะไปอยู่ได้อย่างไรพอเห็นตามเป็นจริงแล้วอันนี้มันเป็นอย่างไรก็เห็นแต่มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่เดือดสงสัยแต่มันจะเป็นอะไรอีกหม่ห น, นี่มันไม่รู้ไม่พอใจอย่างนั้นมันจึงสงสัยเรื่อยไปใจเลยไม่สงบเท่าที่ควรให ความสุขจ um, ึงไม่เกิดเห็นเป็นในใจจึงแสวงหาสิ่งใหม่มาเป็นความสุขโดดใสจริงนั้นโดดใสจริงนี้เพราะถูกสิ่งไหมมันถูกมันก่อนห่างลงขนาดนี้จิตใจเราพวกเราผ่านผิดหวังทํานองเดียวกันเพราะมันโดดใสอันนั้นเราจะสุขโดดไปอันนี้เราจะสุขผลที่สุขมันไม่สมหวังให้รูปังอานิจจังรูปังอนัตตา เรีน า, า, าสัญญาสังขาทั้ญยันไปทำเราเนนะี่ยคือมันในมีอะไรที่จะคงเส้นคงวาอยู่ได้ในมีอะไรที่จะบังคับบัญชาได้มันเกินไปตามธรรมชาติถัดฐานของมันแก่ก็ยังยึดมั่นถือมันหลงไหลไผ่ขันมันจะไปเกิดทุกข์เกิดโทษอย่างไรเพราะความหลงในข่อยใจตามเป็นกินของมันเราหาทําร้อนมาเผาตัวของเราเองไม่ใช่ว่า รูปเสียงดินรถในโลกนั้นมาเผาเราความหลงของเราความยึดของเราท่อนั้นทำให้เราเผาร้อนทําให้เราลุ่มหลงทําให้เราไม่สงบแต่จริงสอนเหวกเขามาภายในดูใจท้องตัวสงวนใจท้องตัวพี่เจนะฮาหลักฐานแฉสารเสดจผลยิงจังแต่วันใจแก่ตกเรื่องจิตเรื่องใจ ดัะนั้นขอทุกท่านจงนำไปที่นิจเวณ า, าศึกษาตางหาทางจารปฏิบัติเพื่อประสบพ บ, บเห็นแต่ความสุ ข, ขาาสความเจริญการอธิบายธรรมะรวมแล้วพอต้องสวนเจริญละเพราะยุติเพียงแต่นี้น